สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมจะขอนำเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับดวงวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2523ยังไงก่อนจะเล่านี้ผมก็ขอํำลึกและขออนุ ญ, ญาตผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้ได้รับรู้โดยทั่วกันว่าไม่ได้มีเจตนาอันเป็นที่ลบหลู่แต่อย่างใดเรื่องมีอยู่ว่ามีสาวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเอิงขออนุ ญ, ญาสงวนชื่อสถานที่เกิดเหตุ ห น, น้าเศร้าและน่าเสศึงกลัวแห่งนี้หญิงสาวที่ชื่อเซียงนี้เธอได้ตั้งครันมาประมาณ8หรืออาจจะเกือบถึง9เดือนแล้วเธอก็ใกล้คลอดเต็มทีแต่ที่น่าเศร้าก็คือสามีของเธอไม่รู้ไปอยู่ไหนเธอก็ได้เที่ยวตามหาสามีของเธอมาโดยตลอดทุกๆคนที่ได้เห็นเธอก็ต่างวิาพากวิจารณ์ไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเธอบางก็ว่าผู้ชายพอได้เธอแล้วก็คงทิ้งบางก็ว่าไปทํางานแล้วหายตัวไปเลยไม่กลับมา ซึ่งต่างก็ไม่มีใครรู้ความจริงสักคนส่วนเธอก็ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอแต่ก็ไม่มีแววของสามีของเธอเลยตอนนั้นเธอเครียดมากและสุดท้ายก็ไม่มีใครที่ได้เห็นภาพเธออีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านและแวกเดียวกันสงสัยว่าเธอหายไปไหนไม่ออกมานอกบ้านเหมือนเคยก็ได้ชวนกันไปดูที่บ้านของเธอเพราะทุกๆคนก็เป็นห่วงในฐานะคนหมู่บ้านเดียวกันเคยเห็นกันประจา พอทุกคนมาถึงหน้าประตูบ้านของเธอก็เห็นประตูเธอปิดเงียบจึงได้พากันเรียกแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบทั้งที่ประตูก็ไม่ได้ล็อกกุญแจหน้าบ้านแต่ล็อกด้านในไว้รู้สึกเอะใจจึงพากันปีนเข้าทางหน้าต่างพอแค่โผล่หน้าเข้าไปก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจนถึงกับขงอ่ะแต่ก็กั้นใจมองไปหาภายในบ้านสำรวจอยู่ครู่หนึ่งชาวบ้านก็ไม่พบอะไรจึงได้พากันลงมาจากบ้านและปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดี ทุกคนได้ลงความเห็นกันว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจึงตกลงใจพากันงัดประตูหน้าบ้านพอเปิดประตูเข้าไปได้แล้วทุกคนก็ต้องพงะกันอีกรอบเพราะตอนนี้กลิ่นเน่าเหม็นมันหนักขึ้นทุกทีจนคนที่อยู่หลังสุดทนไม่ไหวต้องหันหลังกลับเพื่อจะออกไปข้างนอกเพราะทนกลิ่นไม่ได้แต่ก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะพอหันหลังกลับมาก็เจอคนแขวนคอตาถลนลิ้นจุก ป, ปากทุกคนเหมือนรู้สึกว่าเห็นลิ้นของเธอยาวจนเกือบถึงหน้าอก เหมือนกับว่าเธอกําลังหลอกพวกเขาอยู่ยังไงอย่างนั้นทุกคนถึงกับร้องสิงหลงตอนนี้ทุกคนพากันแย่งที่จะวิ่งหนีเพื่อที่จะออกไปให้พ้นจากบ้านนี้เสียทีส่วนคนที่ขวัญอ่อนมากๆก็ถึงกับเข่าอ่อนดั่งเอามือปิดหน้าปิดตาร้องไห้วิ่งหนีก็ไม่ได้ด้วยความกลัวสุดขีดจากนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์และได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าติดต่อญาิของผู้ตายไม่ได้จึงได้นําศพไปไว้ที่วัดก่อนเพื่อรอญาติของเธอมาติดต่อต่อไปและจากนี้แหละ ที่เกิดเหตุการณ์สยองต่อผู้ที่ได้พบเจอจนไม่มีวันลืมเพราะเธอได้กลายเป็นศพตายทั้งกลมและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นทุกคนก็เกือบจะลืมเลือนแล้วเพราะว่าต่างก็ยุ่งอยู่กับการทํามาหาเลี้ยงชีพของตนเองและลุงน้อยแกก็เป็นคนถีบ3ามล้อในระแวกนั้นหาเลี้ยงชีพของตนเองมาตั้งแต่หนุ่มยังแก่และคืนนั้นหลังจากแกไปส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาประมาณที่งคืนแล้ว แกก็กำลังกลับบ้านเพราะมันดึกมากแล้วไม่มีใครออกมาเดินกันแล้วแกก็ถีบสามล้อของแกมาเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักก็สังเกตเห็นคนยืนโบกรถเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แกก็ถีบรถก็ไปหาแต่เห็นใบหน้าไม่ถนัดนักเพราะความมืดมันสลัวสลวแต่แกก็รู้แค่ว่าเป็นหญิงสาวผมยาวผู้หญิงคนนั้นบอกให้แกไปส่งหน้าวัดให้หน่อยแกก็เห็นว่าเป็นทางผ่านพอดียังไงก็ต้องกลับบ้านทางนั้นอยู่แล้วก็เลยรับขึ้นรถ แกปั่นรถมาได้สักพักแกก็ถามเธอว่าทำไมถึงกลับบ้านดึกจังผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบแกหันไปมองดูแต่ก็ยังไม่เห็นใบหน้าอยู่ดีแกก็ได้แต่คิดว่ามันเป็นเพราะความมืดนี่แหละไม่ได้คิดอะไรมากแต่แกก็พยายามที่จะซักถามนูน่นถามนี่ตลอดทางแต่ก็ไม่มีแม้แต่เสียงตอบสักคาจากเธอคนนั้นสุดท้ายแกก็เงียบและพอมาถึงหน้าวัดแกก็จอดรถให้ผู้หญิงคนนั้นลง และหันกลับมาเพื่อจะเก็บค่าโดยสารแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บนรถของแกเลยและแกก็พยายามกวาดตามองแต่ก็ไม่พบไม่เจอและแถวนั้นก็โล่งแกเห็นท่าไม่ดีก็เริ่มกลัวเพราะมาจอดรถตรงหน้าวัดพอดีพอดีแกจึงรีบปั่นรถกลับบ้านทันทีและหลังจากนั้นทุกคนก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันบอกลักษณะก็ตรงกันแต่ที่แน่ๆคือผู้หญิงคนนี้ท้องแก่และรายล่าสุดที่เจอหนักกว่าเพื่อนก็คือณชิต แกไปเที่ยวมาก็เลยกลับบ้านดึกรถก็ไม่มียิ่งมีข่าวผีอยู่ด้วยก็ยิ่งกลัวกันเข้าไปใหญ่แต่จะให้ทำยังไงเพราะยังไงก็ต้องกลับบ้านแกจึงแข็งใจเดินผ่านหน้าวัดและพอแกเดินมาได้ไม่เท่าไหร่จู่ๆก็มีเสียงเรียกเป็นเสียงของผู้หญิงซะด้วยเสียงเย็นยะเยือกและก็แหลมมากดังลอยมาตามลมว่ากลับบ้านคนเดียวไม่กลัวเหรอ เสียงมป็นช่างเยือกเย็ยนจริงๆพิสูจน์ได้จากขนตามผิวหนังอันลุกสู้ไปหมดแต่เพราะปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายของเนชิตทำให้แกหันไ้มองตามเสียงที่กลัวพอหันไปแกก็ต้องตกใจฉี่แทบราดเมื่อแกมองไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำผมยาวปิดหน้ากำลังเอื้อมมือมาหาแกซึ่งระยะห่างระหว่างเนชิดกับเธอนั้นห่างกันประมาณ5ถึงเมตรเห็นจะได้และมือก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะถึงตัวแก อีกมือหนึ่งของเธอก็จับไว้ที่ท้องที่กำลังโตณชิดเห็นดังนั้นด้วยความกลัวแทบสิ้นสติรีพันหลังกลับและวิ่งสุดชีวิตโดยที่มีเสียงเรียกตามหลังมาตลอดแต่เสียงเรียกนั้นเหมือนอยู่ติดข้างหลังของแกตลอดเวลาจนแก่วิ่งไปถึงบ้านแกก็เป็นลมล้มพับไปทันทีรุ่งเช้าพี่ชายของณชิดซึ่งกำลังจะออกไปทำงานก็ออกมาเจอแกสลบอยู่หน้าบ้านจึงเรียกคนในบ้านมาช่วยกันพาแกเข้าไปในบ้านเพราะนึกว่าเมาพอณชิดฟื้นขึ้นมาได้สติคืนมา แกก็เออะโวยายร้องตะโกนเสียงหลงว่าผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ น, นึ่นนั้นข้าวปลาก็มีกินและผมแกก็เริ่มร่วมคนในบ้านก็พยายามสอบถามมาเกิดอะไรขึ้นกับแกแต่ว่าทํายังไงแกก็ไม่รับรู้เอาแต่ร้องว่าผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยจนคนในบ้านต้องพาไปวัดให้หลวงพ่อรดน้ํามนต์และหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านทุกคนก็พุ่งไปดินที่เกิดเหตุการณ์ขยวขว่อยันนี่ว่ามันคือศพที่ตายทั้งกลมที่ชื่อสัอิ่ง ที่ทุกคนพากันเกือบจะลืมไปแล้วจนทำให้ทุกคนพากันเรียกจนติดปากว่าผีแม่สายิ่งชาวบ้านพร้อมใจตกลงกันว่าจะต้องนิมนต์พระมาสวดเพื่อทําการชาปน ก, กิจศพของเธอสักทีเพราะนานมากแล้วแต่ก็ยังไม่มีญาติมาติดต่อเลยแต่เหตุการณ์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อสปรปเพลินําโลงออกมาเพื่อจะทําการมัดตราสังขณะที่ลงมือมัดอยู่นั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรอกแต่พอมัดเสร็จสายศิลปที่มัดกลับขาดออกอย่างง่ายดาย แต่ครั้งแรกสั ป, ปเปลือก็ไม่ค่อยแปลกใจอะไรมากมายลองมัดครั้งที่สองคราวนี้สั ป, ปเปลือมัดอย่างแน่นหนากว่าเดิมแต่ก็ขาดอีกและดวงตาของศพที่ปิดอยู่จู่ๆก็พันเปิดโพขึ้นมาคราวนี้สั ป, ปเปลือถึงกับพงะเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไม่เห็นว่าเอาไม่อยู่แล้วจึงได้ทำการนิมนต์เจ้าวาของวัดนั้นมาทาการผูกตราสังเพราะท่านมีวิชาดีแต่ก็ใช่ว่าท่านจะทาการมัดเลย ท่านจะต้องทําพิธีในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนั้นโดยการนำศพของแม่เซอิ่งออกมาวางบนผ้าขาวและทําการล้อมด้วยสายศินเพื่อที่จะทําการสะกดอาถรรพ์และวิญญาณของเธอและหลังจากนั้นท่านเจ้าว่าท่านก็ได้บริกรรมคาถาสวดส่วงวิญญาณของเธอขณะที่กําลังทําพิธีอยู่นั้นก็ได้เกิดลมซึ่งพัดมาจากไหนไม่ทราบอื้ออึงทั่วบริเวณฝุน่นฟุ้งกระจายใบไม้ไปว่นไปหมด รัฐเจ้าว่าก็พูดออกมาว่าเขาไม่ยอมให้ทําก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านที่มาอยู่ดูการทําพิธีนี้ทั้งที่กลัวอยู่แล้วกลับยิ่งทวีความกลัวมากขึ้นไปอีกแต่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไดเดี๋ยวจะทําอีกครั้งนะแต่ทุกคนก็กลัวกันอยู่ดีจากลมที่พัดมาจนจะพัดทุกอย่างกระจยกระจายไปเกือบหมดกระพันหยุดและสงบลงและกลับกลายเป็นเสียงของผู้หญิงร้องไห้โอดครวนเสียงเล็กแหลมจนเหมือนจะทิ่มทะลุแก้วหู คราวนี้ทุกคนสะดุ้งรัทวีความกลัวมากขึ้นมือไม้สั่นได้เรียวแรงยังไม่เคยเป็นมาก่อนและต่างก็พากันรีบเข้ามานั่งเบียดกันอยู่กับท่านเจ้าวาดแน่นแต่ท่านเจ้าวาดท่านก็บอกอีกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกและพวกเราทั้งหมดนี้ก็จะออกไปนอกสายสินนะแต่ถึงไม่บอกทุกคนก็ไม่มีใครกล้าออกไปข้างนอกอยู่แล้วจากนั้นก็มีเสียงบอกว่าอย่ายุ่งและท่านเจ้าวาด ท่านก็นได้นั่งหลับตาบริกรรมบกรถาสวดส่งวิญญาณให้เธอต่อทำกลางเสียงร้องไห้โอดครวญสลับกับเสียงไล่ทุกคนของเธออ ย, ายา่ายุ่งอย่ายุ่งหลังจากนั้นพักใหญ่เหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติตอนนี้ชาวบ้านที่เข้าร่วมอยู่ดูเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนต่างสิ้นเดี่ยวแรงและขวัญพวาถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปอีกทุกคนต้องยอมตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะไม่มีแรงจะหนี และเพราะความที่กลัวมากจนสติไม่ค่อยเข้ารูปก็รอยสักเท่าไหร่และหลังจากนั้นท่านเจ้าวาดจึงสั่งให้สับเปรย์พร้อมด้วยเด็กวัดช่วยกันเปิดผ้าที่คุมร่างที่ได้วิญญาณของแม่เอิยงออกจากนั้นท่านก็ได้เอาไม้เท้าซึ่งเป็นไม้ที่ตรงไปลายไม้สลักเป็นรูปพญานาควางชี้บนศีรษะของศพเธอและลากยาวลงมาจนถึงปลายเท้าและที่ทําแบบนี้ท่านบอกว่าเพื่อสะกดผีแม่เอิยงเอาไว้และท่านก็ล้วงมีดซึ่งมีการลงอักขระ ที่เขาเรียกกันว่ามีดหมอเ น, นั่นแหละจากนั้นก็ทำการผ่าท้องเพื่อที่จะเอาเด็กออกมาจะได้ลดแรงอาถรรพ์คั้งนี้เมื่อผ่าเอาเด็กออกมาแล้วท่านก็ได้สั่งให้สเปเหรนอนาเด็กไปใส่ผ้าขาวและห่อเอาไว้จากนั้นก็ให้นํามาตั้งไว้ข้างๆกันกันกนกบแม่เอิ่งและสวดส่ง ว, วิญญาณไปพร้อมกันหลังจากที่สวดศพเสร็จก็ได้แยกศพเด็กไปชาบนากิตอีกวัดหนึ่งต่างหากส่วนแม่ก็ได้รับการชาบนรกิตที่วัดแห่งนี้ และเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เข้าสู่สภาวะปกติโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ทําให้ใครเป็นบ้าแต่ว่าสติของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้จะเข้ารูปข้าวรอยเหมือนเดิมนั้นก็ใช้เวลาฟื้นฟูกันสักพักใหญ่แต่ทุกคนก็ยังผวากับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและชาวบ้านก็ยังคงเล่าต่อๆกันมาจนเวลาผ่านไปแล้วก็ลืมเลือนกันไปในที่สุดและสุดท้ายก็ไม่มีใครสักคนที่จะร่วรู้ความจริงว่าสาเหตุที่ทําให้มส่สไอ้งมีความเฮี้ยนได้ขนาดนี้ เป็นเพราะสาเหตุอะไรนี่ก็คือเรื่องราวเรื่องเล่าของตำนานผีแม่ไส้ิ่งครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและผมจะได้หาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อนะครับสวัสดีครับ